สามจุดสิบดูอสุพะจนแตกสลายเป็นผงวงเล็บเปิดยี่สิบกันยายน2 5 5พนห้าอห้าสิบในวงเล็บสองจุดจุดนาทีหกสิบเอ็ดวงเล็บปิดเวลาที่นิมิตอสุพะเกิดให้รู้ไปเลยร่างกายจะค่อยๆสลายตัวไปเน่าเปื่อยผุพังเป็นขี้ฝุ่นขี้ผงไปเสร็จแล้วมันจะเหลือใจอันเดียวเหลือใจเป็นแค่คนดูแล้วก็เห็นเลยโลกธาตุนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตน